หมวดที่ 4. ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุสามรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่ออธิกรณในสงค์ 2. รูปหนึ่งโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้ 3. รูปหนึ่งอยู่คลุกคลีกับขรหัดด้วยการคลุกคลีกับขรืหัดที่ไม่สมควรภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แล